คิดว่าทำอย่างเดียวกันคำที่พูดก็เป็นคำที่เราเอาไปทำเราก็ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราได้ทำทุกวันเราเป็นนักปฏิบัติขอเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติปฏิบัติก็คือดูแลตัวเองรักษาตัวเอง ใ้ถูกใรต้องทำตัวยังให้อยู่ในความชอบตัวเองก็คือกายคือใจําพูดด้วยเวลาเราปฏิบัติใช่กายใช่ใจใช้ใวาจาเป็นเรานั่งสร้างจังหวะเราทำกายทำใจ ให้รู้ศึกตัวจะเพียงจะเป็นรูปแบบบางทีมันแข็งกระด้างทำทำไม่เป็นเห็นเราจะขี่ช่างขี่ม้าขีวข่วัวขี่ควายเราเรานั่งหลังม้าหัดม้าให้มันวิ่งแต่เรานั่งไม่เป็นม้ามันก็วิ่งวิ่งไม่ดีไม่สบาย แตนที่จะนั่งมาให้สบายมันก็โยกขยกไปเพราะเรานั่งหลังมันไม่เป็นมันก็เครื่องเหมือนกันตอนที็เราก็ตกลตงไปเหนื <c oughs> <c oughs> ่อยกายขี่มาไม่เป็นแต่ช่างมันโยกเราให้ไปให้มาเออมันก็เด็กการขี่มา ก, ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน แต่เรายกมือขพาไ ป, ไ, ปไปง่ายๆอย่าไปกดอย่าไปกึ่งไปง่ายๆยกมือพาให้ง่ายเดินพาให้ง่ายไม่ใช่เดินเพื่อให้ยุ่งยากยกมือเพื่อให้ยุ่งยากสวนทางกับการยกมือสวนทางกับการเดินกา ย, ยกมือเคลื่อนไหวอันนึ่งจิตใจก็อีกแบบหนึ่งฝืนไม่อยากยกมือไม่อยากทํา การยกมือคนหนักเพราะไม่มีแนวร่วมพลังร่วมไม่มีการเดินก็มันกันการเดินก็เดินง่ายๆไปกับความรู้สึกง่ายๆไปด้วยกันง่ายๆอย่ยาขัดอย่าแย่งความรู้สึกตัวกับกายความรู้สึกตัวกับใจแต่ว่าไม่ใช่ไปตามที่เราไม่สอนมันง่ายมันรู้ ความรู้สึกตัวเนี่ยเข้ากันได้ดีกับกายกับใจแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเข้ากันได้ดีเท่ากับความรู้สึกตัวกับกายกับใจมันม น, มมน้ากับนมหมันน้ากับน้าน้าลําปะเทาวน้ำทีน้ําพองน้ํามูน้าแม่ขงไปใส่กันก็นอันเดียวกันให้มันเป็นการนั่งการสอนโดยเรานั่งก็จะเป็ น, นั่งก้มเกินไป สายตาก็จะไปบีบไปบีบส่วนไหนยจะไปบีบมรรมะระวังก็ไม่ต้องระวังเกินไปก็ตื่นวันนี้ก็มีพระมาะจากบ้านตึ้งสามรูปมาสามเรื่องการปฏิบัติเขาตื่นเขาตกใจง่ายบางทีมันก็ตื่นเหือนกันถ้าระวังเกินไป เคยเคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเห็นพรเห็นเนนก็ไปตีแล้วขังก็เห็นอยู่แต่เวลาเขาขอลองแป้งแล้วก็ตื่นมันระวังตื่นไปเห็นของอะไรแล้วยินของอะไรตกแป้งป้าก็ตื่นหมดตื่นไม่ได้ขึ้นเลยตาเอาไปด้วยเลใจก็ชิดไปแล้วแต่เราทำไว้ดีๆเตรียมไว้ดีๆมันไม่ตื่น เห็นเรียไม่ต้องไปดูก็ได้คงจะไม่อะไรตกไม่ต้องไปดูใ <c oughs> นบางทีการระวังเดินไปทำไมไปเดี๋ยให้มันมง่ายงเดินก็จะไปก้มเกินไปพอดีพอดีอดวางมันมีฉากร่ากายของเราใจของเรามันก็มีฉากมันได้ฉากเดินเราเดินเนี่ยความสูงของการเดินวางยาวระหว่างวางสายตาไกับการเดิน มันไปด้วยกันความสูงของกายเราก็ทอดสายตาไปข้างหน้าเท่ากับความสูงมันจะได้ฉากพอดีการนั่งก็จะไปก้มจะไปเงยเกินไปมองไปข้างหน้าเท่ากับความสูงของการนั่งทอดสายตามันได้ฉากพอดีมันอยู่ได้นานอาจจะไม่ตรงน่วงก็ได้ถ้าเรา้นก้มกินไปก็อ่า มันก็ปิดไม่พอดีเงยกันไปก็พ่องสาดฟ้องกันไปก็มองเหงาหอนอนหรือเครียดอะไวางพอดีปล่อยๆบางๆหรืถ้าจะเปรียบถ้าจะให้มีแล้วร่วงเปิดพลังร่วง ม, มันก็ไม่ได้หลายอย่างเห็นเราจะฟันขวนขุดดินก็ให้กายน้อมไปเวลาลู้เหียงลงไปกายก็น้อมไปมันแรง แรงสองเท่าถ้าเราขุดลงไปกายเราไม่น้อมช่วยเม็ดเพียงแต่มือมันก็ไม่มีแรงแรงไม่มากเป็นเขาแต่ตะกอ้อไปพุดบอลต่อยมวยต้องโน้มไปกับหมัดที่เขาเวี่ยงไปแต่พุดบอลโดนไปแรงทุบไปแต่ตะกอ้อก็พอดี พร้อมพอดีคว้มพอดีอ่นน า, กก า, ามันก็เป็นนักกีฬาอะไรการปฏิวัติทำกระบวนกันหลายหลายอย่างที่เราแต่มาช่วยให้สติมันมองอกงามแต่เวลาอะไรที่มันคิดมันหลงไปก็ทำเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับความหลงให้ถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่กระทบไม่ใช่กระเทือนไม่ใช่ใชผิดความผิดอาจจะเป็นความถูกก็ได้ถ้าเรา อาดูแลตัวเราดีวยอยากเขตกันด้วยซ้ำไปจะได้รู้จักแต่บางก็เกิดให้เราเห็นอยู่เราก็เห็นมันอยู่เราก็เกี่ยวข้องกับความผิดความสุขความทุกข์ก็นั่นแหละมันก็มีให้เราเห็นทุ่นท้อยู่ไม่ได้รับได้รีไปไหนมันเปิดเนื้อเปิดตัวทําให้เราเห็นนักปฏิบัติก็ต้องทำอย่างนั้นแหละเห็นดู วเราก็มีหลักแล้วก็มีฐานแล้วกลับมาเสร็จกลับมาตั้งไว้เรืกายที่เราเจตนาแล้วก็เจตนาลงไปอีกใส่ใจลงไปอีกใส่ใจลงไปอีกทั้งหมดทั้งหมดคือเจตนาทุจริตรู้มีคําถามตัวเองถูกหรือผิดเนอะเนี่ยทํายังไงเนอะสินมันเป็นยังไง สติมันเป็นอย่างไรสมาธิมัเ น, ญญาานเป็นอย่างไรปัญญามันเป็นอย่างไรเหมือนกับอาจารย์ก็มีคนมาถามถามแบบรีบด ว, วนรถก็ติดเครื่องรออยู่คนที่มาถามก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ถามว่าสติเป็นยังไงศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงเขาก็ถามแบบ ทำยังไงจึงจะเป็นสติทําไมเป็นสมาธิทําไมเป็นปัญญาเป็นปัญญาเป็นสติเป็นส่วนไหนเวลาได้เราจะรู้ว่าเรามีสมาธิเราจะรู้ว่าเรามีสติเราจะรู้ว่าเรามีศินเราจะรู้ว่าเราสมมีปัญญาเราก็บอกว่าเี่ตอนเจริญสติเนี่ยเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ผมรู้สึกตัวที่มันเป็นฐานเป็นที่ตั้งในตัวสติการใส่ใจ การรู้สึกตัวนี่มันก็เป็นการรักษาสินมันไม่ได้ไปคิดไปพูดไปหลงไปทางอื่นการใส่จใจที่จะรู้สึกตัวนี่แหละมันเป็นสมาธิเวลาใดที่มันหลงไปไม่อยู่ที่ตั้งเรารู้สึกตั ว, วเราเรารู้จักกับตาเปลี่ยนผิดเป็นถูกเป็นหลงเป็นโลกภาวะปัญญาทั้งสติทั้งสีมทั้งสมาธิทั้งปัญญา มันไปด้วยกันไม่ใช่เข้าแถวจะเป็นวงอาจจะเป็นวงกลมเหมือนจับหมุนไปทําให้หมุนไปสติทําให้สติทําให้ศินเกิดขึ้นเมื่อศินเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิก็เกิดปัญญาสนับสนุนกันไปแรงก้องสองอย่างสามอย่างผักกันไปเหมือนขี้เหมือนกลงจับ เวลามันหมุนไปตรงไหนมันก็มันก็ทำให้ความหลงหมดไปบบนะนบมันไม่ใช่เข้าแถวเอาละวพอแล้วไปไขึ้นรถแล้วบอกเขาขึ้นรถไปาาก็อย่างนั้นสิการปฏิบัติธรรมเราทำถูกถูกล้ว ก, ก็ยังไปถามอยู่บางทีเรานั่งรถถูกกันอยู่ยังลงหนีไปอีกคันหม่ ทำใหเสียเวลาเฉยๆการรู้สึกตัวมันก็ถูกแล้วยกมือขึ้นเคลื่อ น, นไหวมันก็ถูกแล้วจังหวะสิบสี่จังหวะสิบห้า 14, จังหวะมันก็ถูกแล้วทําไปแต่ไปเอาถูกตั้งแต่เริ่มแรกจะไปกลัวผิดตั้งแต่ยังไม่ได้ผิดมันจะถูกมันจะผิดเริ่มไปก่อนมันจะเห็นผิดต่อเมื่อมันผิดมันจะเห็นถูกต่อเมื่อมันถูก มันจะมีความผิดต่อเมื่อมันผิดแต่มันจะมีความถูกต่อเมื่อมันมในความถูกไม่ใช่ผิดก่อนผัวก่อนการปฏิบัติต้องท่องไปพร้อมๆกันถ้าหลงก็หลงพร้อมกันกับความรู้ถ้าผิดก็ผิดพร้อมกันกับความรู้ถ้าทุกข์ก็ทุกข์พร้อมกันกับความรู้สึกตัวมันจึงจะเป็นการปฏิบัติผิดแล้วความผิดเอาไปปรีทุกข์แล้วความทุกข์เอาไปปรี เพราะมันไม่ไปพร้อมกันเหมือนเพื่อนที่เดินทางคนหนึ่งรู้คนหนึ่งไม่รู้ถ้ามันหลงตรงไหนคนที่รู้ก็บอกมันไม่หลงตรงไหนคนที่รู้ก็บอกการปฏิบัติธรรมมันไปด้วยกันแล้วจะได้สอนเวลาที่มันไม่รู้นั่นแหละเพรามันอยู่ด้วยกัน ให้สบายได้เลยกาปรปฏิบัติธรรมค่ายๆกว่ามีคนสองคนคนหนึ่งรู้คนหนึ่งลนหนงลงเมื่อมันรู้แล้วก็ไปเรื่อยๆไปให้ต้องกัางบนเวลาได้ันหลงค่อยบอกตัวเองนะนะบอกตัวเองแล้วค่อยสอนไปค่อยสอนไปอย่าไปรีดอย่าไปเขียน ตนตัวเองก็ต้องนิ่มนวล น, นุ่มนวลพอสมควรถ้าไปรีดถ้าไปเขียนตัวเองบางทีมันเฉดนะพอวนผิดที่หนึ่งก็เฉดพอมันทุกข์เที่ยงก็เฉดพอวันปวดมันเมื่อยที่หนึ่งก็เฉดก็จะทําความเพียก็กลายเป็นความเบื่อมันก็สวนทางไม่มีแนวร่วมอะไรต้องสนุกเลย เราทำไมเราจึงต้องปฏิบัติเพราะว่ามันก็เป็นอย่างที่ว่ามันมีตัวลู่ตัวหลงอยู่แล้วตอนที่เราสวดมนต์เรามีทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วเบื้องหน้ามันเป็นทุกข์อยู่มันจะไปเจอเมื่อไรหรือมันจะอยู่ในตัวเราเลยก็ได้ความหลงเป็นเจ้าเลือนความทุกข์เป็นเจ้าเลือนเวลาอะไรเกิดขึ้นความหลงออกหน้าออกตา เวลาอะไรเกิดขึ้นความทุกข์ออกหน้าออกตาความสุขกนหนีไปง่ายๆเราความทุกข์เกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันเป็นใหญ่ในชีวิตของเราประกอบมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างความดีความงามเคยทำมาไม่เหลือเหล่าเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกับเป็นอย่างนั้นอาจารย์เผยสารว่า ถ้าโกรธก็อยาให้โกรธข้ามคืนแต่ว่ามันถึงไป น, นั้นหรือจะต้องเป็นคืนไป น, นั้นแล้วถ้าปฏิบัติไม่ต้องข้ามคืนมาด้วยกันความโกรธกับไม่โกรธมาด้วยกันแต่ถ้ามันทาไม่ได้จริงๆขอให้มันโกรธจะข้ามคืนวันใหม่มาโกรธหยุดเกิดอันนี้ก็ยังพอมีขอดเขตนะไม่โกรธคนเดียววันเดียวครั้งเดียวจะไปโกรธดินะก็มีขอเขต ก็ช้าๆว่าอย่างไรก็ได้บางทีคนเรามันมยังไม่พร้อมก็ไปหยุดโกรธก็เบรกทันทีบางทีมันก็ทำไม่ได้มันก็คนวิ่งเวิ่งไปแรแล้วหยุดทันทีอาจจะเสียหลักล้มลกุกคลุกคลานมันก็รถี่วิ่งหนักๆหยุดเบรกทันทีอาจจะพิษคว่ำความคิดของเราที่มันโหลดแรงไปอาจจะไปหยุดมันหยุดมันก็นเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรง ผิดเพี้ยนไปก็มีแต่ว่ามันนกมันนกนหยุดกันทีเนี่ยมันก็ไม่ได้สำหรับผู้ฝึกใหม่ตอนที่อยู่อะไรก็มีศิลละปล่อยปล่อยไปปล่อยปล่อยวงว่าห ย, ย, ย, ย, ย, ยุดนะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนการเป็นนักปฏิบัติต้องนิ่มนวล เกี่ยวกับตัวเองไม่ใช่ไปเนี่มนวลกับคนอื่นเราไปเนี่มนวลกับคนอื่นจะจ ะ, ะแสแซงแกล้งทำอาจจะไม่จริงกบเกือนด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเนี่มนวลกับตัวเองก็นเนิ่มนวลกับคนอื่นไม่ได้แสแกลงแกล้งทำเพราะเราเคยทุกข์เราเคยโกรกเราเคยผิดเราเคยถูกเราเคยหลงเราเนี่มนวลกับตัวเราให้เป็นสอนตัวเราดูแลตัวเรา อย่าให้กระทบกระเทือนกับตัวเราเราก็มีเท่านี้แหละมีกายไม่ใจเนี่ยใช่ให้มันเป็นใช่มันถูกต้องเราเดินจงกรมงหมือนเดิมไปกับความรู้สึกตัวนั่งสร้างจังหวก็สร้างถ้าเราจะเปลี่ยนถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ก็ต้องเปลี่ยนฉากให้มันเรื่อยๆทําใหม่ๆต้องเปลี่ยนฉากมันจะอยู่ฉากเดียวได้ไม่นานมันจะพลาด เมื่อมันพรามันจะเป็นนิตใสแบบนั้นนั่งไปก็เหงาหลับเอนอนไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มต้นไม่ค่อยจะถูกความเหงานอนกับความรู้สึกตัวมันคนละอันกันอยู่ไม่ต้องไปด้วยกันนั่นนี่แหละเราไม่ทุกขเป็นเรื่องหน้าเราเป็นในเราคนเราเนาะแต่ดีๆก็เป็นไม่มีโรคอะไรมันก็เป็นหลวงพ่อก็เคยเป็นอ มันเป็นปองโลกคนเรานะพ ร, ระพุทธเจ้าว่าโล ก, โลกนามโลกโลกทุ ก, กนามทุกมันมีอย่างนี้แหละมันมีโลกไม่แสดงให้เราเห็นมันก็มันก็มันก็นกซ่อนไว้ข้างในมันพร้อมที่จะแสดงอยู่ความเกิดความแก 06, ่ความเก็บความตา ย, ม, ม, ตายมันมีอยู่ นู่แหละโลภโลภามโลกโลภธรรมนามธรรมโลภสมมุตินามสมมุติโลภทุกนามทุกมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเรามันม่เกิดมีแก่มีเก็บ ม, ม, มีตายอเราเตรียมตัวไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนตายก่อนตายเห็นแล้วรู้แล้วรู้ลแล้วรู้แล้ว ไม่ทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมมาจากการเตรียมตัวใช้ชีวิตให้ถูกให้ต้องแต่เราใช่เป็นนะปางทีพวกโลกอะไรต่างๆก็คอยหายไปประเมืันกันความรู้สึกตัวมันเป็นโอสถดเยียวยาทำหนักให้เป็นเบาทำทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์ ความความหลงให้เป็นไม่หลงเป็นอย่างนี้เราได้มาเท่ากันชีวิตเราได้ความผิดปวามเมือนกันได้ความถูกปวามเือนกันได้ความสุขความทุกข์เหมือนกันได้โรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันความร้อนความหนาวเหมือนกันความหิวเหมือนกันม <c oughs> ันมีทุกคนแต่ว่า แต่ถ้าเราดูแลดีๆมันก็อยู่ได้นานครับอย่าให้มันหนักมาปล่อยมาปวดมาปล่อยตัวเองมารู้สึกมาเ ล, ล็กได้มาปฏิบัติอย่าหลงอย่าหลงรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวสร้างไปสร้างไปปฏิบัติไป เราเราทำเราไม่เห็นเมรัยทำไมทาไมต้องปฏิบัติไม่รู้อะไรจะไปหาจะไปหาอะไรจะไปเห็นอะไรพระพุทธเจ้าเขาบอกเราเห็นกายเนี่ยมันมีไหมกายเราอนะ่ะแต่มันไม่รู้จริงๆก็เอามือตบหัวเข่าดูพลิกมือลองดูโอ้มันมีจริงๆนะกายเนี่ยเอาไปหยิบเดี๋ยวมันก็เจ็บโอ้มันเจ็บจริงๆนะ ไปนั่งตากแดดโอ้มันก็ร้อนจริ่ยงๆนียเหยียบไฟมันก็เจ็บเหยียบน้ําันก็โอ้กายเนอเนี่ยมันเจ็บมันคืออะไรคือเวทนาอมันร้อนคืออะไรคือเวทนามันหนาวคืออะไรคือเวทนามันหิวคืออะไรคือเวทนาอ่นมันมีโู้มันมีอยู่กายเนี่ยให้ดูสิดูลู่อยู่ลู่อยู่ลู่อยู่พอเราลู่อยู่ลู่อยู่ยิ่งมันจะแสดงให้เราเห็นเยอะ แต่ก่อนเราไม่ได้เห็นหนวดอรีตบทโกกเกลื่อนไว้เจรนาถูกอรีตบทโกกเกลื่อนไว้ไม่เห็นแต่มันร้อนก็อาบน้ามันนาวก็กินเมันหนาวก็ห่มผ้ามันหิวก็กินข้าวเรื่างต่างๆที่เราทํากับมันเราไม่เห็นเจรนามันค่ายกับถูกโกกเกลื่อนถ้าเรามานั่งอยู่เ่ยเจญนาเราสร้างสติเนี่ยมันจะฉายให้เราเห็นชัด แล้วเราก็เห็นเราก็เกี่ยวข้องกับมันอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปกร u เกลื่าดมให้เห็นชัดๆจนท่วงว่าเวทนาสักวะเวทนาจนทักท่วงเวทนาสักวะเวทนาไม่ใช่สัตว์ปู่คนตัวตนเราเขาเห็นมันมีอยู่จริงๆแต่ก่อนเราก็อาจจะอยู่กับเขาเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์ เราเป็นผู้ร้อนเราเป็นผู้หนาวเราเป็นผู้หิวเราเป็นผู้ปวดเป็นล่องออกมาโอ้ยไม่ไหวเวทนาก็ไม่ไหวพอเรามีสติแล้วมันไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอาการของเขาเราก็รู้สึกตัวได้ปัญญาได้เห็นเห็นเวทนาเวลาใดเวทนามันเกิดขึ้นเราก็เกี่ยวข้องกับเวทนาอย่างถูกต้อง เอามาเป็นสุขมาเอามาเป็นทุกข์เห็นอันนี้คิดเท่ากันแต่ก่อนเราต้องว่าเราทั้งหมด <c oughs> ไม่ว่าตัวเราทั้งหมดมันคิดอะไยก็ไปตามความคิดความคิดพาให้เราสุขพาให้เราทุกข์ความคิดพาให้เรากโกรธพาให้เราโลภพาให้เราหลงพาให้เราลับพาให้เราชังเราทําตามความคิดแล้วก็ผิดพลาด นันการบางทีคํามลับที่เกิดจากความคิดมันไ ม, ม่ใช่ตัวใช่ตนมันเป็นตัวสังขารเป็นผลผลของสังขารความชังที่มันเกิดจากความคิดมันก็เป็นสังขารอะไรที่มันเกิดจากสังขารผลผลของสังขารนั่นแหละ ไ, ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเราก็ไปหลงหยึดออกมาจนทาตามจน เสียเวลากับเสียงเรานั่นมาพอมาเราพอเรามาปฏิบัติมาดูเนี่ยโอ้มันเห็นความคิดก็เป็นอันหนึ่งเนาะมันเกิดขึ้นกับกายกับรูปมันเป็นรูปเป็นนามมันเป็นธาตุอันหนึ่งเรียก ว, วิญญาณธาตุวิญญาณธ า, าตุมันรู้อะไรได้อากาศเนี่ยอากาศสธาติมันมีช่องว่างที่มันเกิดอะไรขึ้นมาได้ ในความคิดในความโกรธในความโลภในความหลงมันต่อกันเป็นต่อกันไปแต่ก่อนเราไม่รู้เราก็ปล่อยให้มันสร้างไปต่อวต่อว้ความหลงก็ต่อเอาไว้ความสุขความทุกข์ก็ต่อเอาไว้ความโกรธก็ต่อเอาไว้บางทีมันก็ครองชีวิตเราไปเลยบังชาติมีแต่ความหลงเราจึงต้องมาปฏิบัติบางทีก็ต้องมีชัยชนะบ้าง หลังที่พูดเส ม, มอว่าอาจจะมีความหลงที่ทำห้เกิดทุกข์ที่ทำห้เกิดความคิดที่เกิดเย็นดียนดินร้ายเ่ยอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะมีเพราะเรื่องอื่นอาจจะมีทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกรามธรรมชาติตาธรรมธรรดาอันนั้นเราก็ไม่คือว่าเป็นทุกข์หรือว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นาการไปมันก็ไม่มีผลกระทบต่อเรามันดีด้วย เราก็เลยอาศัยโมนันแหะรักษาชีวิตเราเช่นความหิวเราอาศัยความหิวเพื่อมีชีวิตมันขับมันถ่ายเราอาศัยการขับถ่ายเพื่อมีชีวิตไม่ใช่ทุกมันร้อนมันหนาวเราอาศัยความร้อนความหนาวเพื่อให้เรามีชีวิตเราเหยียบน้ํามันเจ็บเราก็อาศัยความเจ็บที่มันเป็นอาการของกายเพื่ออาศัยเพื่อให้มีชีวิตมันดีไม่ใช่เราเอามาเป็นทุกข แต่ก่อนเรามาเป็นทุกข์เรามาเป็นสุขมันก็คั้วน้ามเหลวเท่านั้นไม่มีอะไรที่เป็นที่หลังย่างอื่นไปหาความสุขกับสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขไปกลัวความทุกข์จากสิ่งที่มันไม่ใช่ความทุกข์กลัวลมลมเริม่มแรงแต่มีก็มีลมลมแรงแรงก็เป็นอยู่เช่นนั้นเราจะมาลู่มันซะให้ลู้แจ้งซะ การรู้แจ้งอย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาล่วงพ้นภาวะเก่าเก่าล่วงพ้นภาวะเดิมเดิมอย่างนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละก็อันเดียวกันอย่างเก่งชีวิตความรู้สึกตัวอยู่กับเราความรู้สึกตัวอยู่กับพระพุทธเจ้าอันเดียวกันอความหลงอยู่กับเราความหลงอยู่กับคนอื่นก็อันเดียวกัน ความทุกข์อยู่กับเราความทุกข์กับคนอื่นก็อันเดียวกันมันอันเดียวกันยังว่ามาหัว อ, อ, อกเดียวกันมีหัว อ, อ, อกเดียวกันมาดูแลตัวเราพาแก้ตัวเราช่วยตัวเราก็โทากับเราช่วยคนอื่นได้มานกันแต่น้อยเราก็ต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นไม่พ่อไม่แม่ไม่ลูกไม่หลานมีบุทพรรัญญาสมามีไ ม, ม่ยากไม่มิดนะแต่ว่าทาตัวเราแต่ทุกคนมาเริ่มต้นที่ตัวเรามันก็จะดีไปเองบางอย่างเราจะเอาให้เหตุจริงๆมันต้องมาสอนตัวเองแล้ว่าสอนตัวเองเราสงบก็ไปช่วยคนคนอื่นสงบเราหมดทุกข์ก็ไปช่วยเหาคนอื่นหมดทุกข์ เราลู่อะไรหมดอะไรพ้นอะไรมาก็ไปซ้อ น, เ, นเขาหลุดเขาหลุดเขาพ้นแม่ว่าได้สอนเขาก็อย่าไปสร้างปัญหาให้คนอื่นเป็นภาระต่อเราให้วัตถุอื่นวัตถุอื่นเป็นภาระต่อเราภาละที่มันมีต่อเราตั้งแต่เราใช้กายให้ใจมันก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังไปใช้ให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆอยู่ไปโกรธไปพังไปอิจฉายาย่ำ ไปเอาผิดเอาโูกให้มันเปิดความผิดบางทีทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ผิดก็ทำให้เปิดความผิดเหมือนสมัยหนึ่งสมัสองพันห้ารอยสิบสิบแปดงพ่อไปอยู่กรุงเทพเขามีปตคารที่นั่นแต่แม่นั้นคนกรุงเทพออกป่า ออกมากันมากแล้วเขาก็ให้โมหลวงพ่อไปเขานัดมานัดลูกเต่าเขามาไปกินอาหารที่พระตาทารหลวงพ่อเขาปล่อยก็ไปถามพวกเขาว่าพ่อแม่เขาอยากให้มาเรียนเขาพอดว่าให้ลูกจะเรียนไปทําไมความลูกที่เรียนมาใช่ไม่ได้เลยในประเทศไทยเพราะว่าเนี่ยนะ คนดีถูกฆ่าคนไม่ดีเป็นใหญ่เขาก็ว่ า, านั้นในบางทีมันก็มันก็คิดไปอย่างนั้นเพราะอะไรมันคนอื่นทำให้เราทำให้เราผิดเราไม่ผิดคนอื่นทำให้เราผิดการที่หลวงพ่อพูดให้ฟังว่านั้นหลวงพ่อไม่เป็นคอมมินิตไม่รู้เลยเขาก็ว่าหลวงพ่อเป็นแนวร่วม พ่อก็ไม่รู้เลยเออมาพูดแบบน้นบางทีเข า, า จ, จะฆ่าตายเออถ้าอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยเขาเอาปืนมาหมกไว้ในกติหลังใดหลังหนึ่งเขาก็ฆ่าราตายเนี่ยเขาก็ได้วัตถูไปเออมันคิดไปแบเออเอาตัวรอดซะหน่อยก็นะไปอยู่ท่ามาไปไปพักที่ท่ามาไปโ อ, อ้ยังตามไปเขาจะทําให้เราผิดก็มีบางทีคนที่ไม่ผิดคนทําอื่นทั้งไม่ผิดก็มีเอออย่างนี้มันมีอยู่ในโลกเราไปจังหวปฏิบัติธรรม อมาปฏิบัติธรรมให้บรรลุซะรู้จบอะไรหมดทุกอย่างรู้จนหมดเปรียนบางทีเราดีๆอยู่เขามาว่าเราไม่ดีก็กลายเป็นคนไม่ดีไปกลายเป็นโจรเป็นผู้ไรไปบางทีหัวหน้าหัวหน้าโจรเนี่ยเขาเป็นคนดีๆมีคนมาทําให้เขาเป็นคนชั่วฮะเรื่องอ้ไรก็กลายเป็นโจรไปเลยอันนี้ บางทีเราดูดีๆเขามาลร ก, กลัวเราควายเขาอ๋อเราก็าให้เป็นโจรไปเลยไปลักวกัวเราขวายเขากานตอนพอรู้จักคนนั่นต่างเป็นเหตุไปแก้เขาไปฆ่าเขามันก็ไม่จบไปเสิ้นเอาหมูทะเลาะ ด, ดูแลตัวเราเนี่ยหยุดนะเนี่ยเว็นก็ อ, อย่างับด้วยการไม่จองเวรไม่ใช่ไปเอาผิดกับคนนั้นเอาโทษเขาก็นี้ มันเราต้ช่วยบางทีเราก็ช่วยเขาให้มันกระทบบางทีมันเป็นผลกระทบถ้าเราทํากับเราแล้วมันก็เป็นผลกระทบเพราะเขาพระโพธิสัตว์แต่เวทในชาติต่างๆเป็นเลียงบ้างเป็นวานอนบ้างเป็นกระต่ายบ้างเป็นกวางบ้างแล้ว เล่าให้ฟังได้ไหมเมืม่อวันควางพระโพธิสัตว์ <c oughs> ฟังไหมพี่อเออแล้วก็ดักควางใช่ไหมพระราชาเนี่ยชอบเนื้อควางก็สั่งให้อ พ, อพ่อครัวไปหาควาง ม, มาฆ่าทุกวนันทุกวนันควางในป่าก็จะหมดแต่ควางพระโพธิสัตว์ก็จัดคิวให้ควางทั้งหลายมาเข้าคิวถ้าไม่เช่นนั้นเราจะไม่อยู่สงบ กวาไล่โลกเล็กเป็กแรงเราก็เดือดร้อนต้องเว้งนี้อามาจัดเชีวกันเถอะพวกเราตอนนั่นให้ตัวนั้นมามายืนอยู่หน้าป่าเวลานายผ่านมาก็ให้เขาจะเย็งพวกเราจะได้กินหญ้าสบายอ่ะกวงางหลายก็เพื่อฟังกวางพระโพธสัต <c oughs> ก็เข้าคิวกันหวงที่ยังไม่ถูกฆ่าเขากินไปสบายแต่วันหนึ่งมาถูกคิวของกวงกวงเมฆขันเมฆทองลูกกาลัง จะเกิดแล้วออกเกตวันจะเกิดลลกก็ถูกคิวของกวางที่ตั้งคันกวางที่ตั้งคันก็ไปขอเปลี่ยนกับกวางตัวเองก็ไม่มีใครอยากแก่ตายขออยู่หนึ่งวันก็ยังดีก็เลยควางพระโพิสัตก็ทราบเขาก็เลยไปเปลี่ยนไปยืนอยู่พอเดนัยผ่านมาควางพธิสัตว์ยืนไม่วันไหวใช่ไหมไม่ควตายพอดี ไปผ่านมาก็เห็นขวงโพธิสัตว์งามเดินสง่างามไม่กลา้าเลยเลยถามว่าทาไมอ่ชาดกก็พูดได้เนะาะพวงางทำไมท่านยังมายือนอยู่เลยไม่เห็น ต, ตก อ, อกตกใจมันมวนตัวอื่นพวตัวอื่นเห็นพระพเจ้ามาวิ่งก็อาปากร้องขอทางขอชีวิต ท, ท่านทําไมยืนที่วันเรืๆๆ่ยบอกว่า ไม่ควรที่จะมาถูกฆ่าท่านงดงามขนาดนี้พรให้คว้างตัวอื่นใช่ไหมควงพระพิสิทว่าควงที่จัดวะ่ะวันนี้เป็นคว้าแม่ในคันในท้องเขาจะออกลูกภายในเจ็ดวันจึงมาแทนเขาก่อนถ้าเขาตายแต่พ่อเขาไม่ว่าลูกในครันเขาจะต้องตายเองรับเปรตรับกรรมนายพานได้ทราบเรงก็ไปกราบทูลพระราชา พราชาเขาทั้งแต่วควงเนี่ยยังมีเมตตาจัางมาช่วยกันเป็นเราเนี่ยไปฆ่าสัตว์กินภราชาก็เลยเลิกกินเนื้อสัตว์นะอันนี้ชาดกเนาะเหมือนกันสัตว์บางทีเขาเรายังรู้เนาะหลวงพ่อเคยเห็นอยู่เนี่ยสุกโตเนี่ยสบัยอยู่คนเดียวงูงเลยคาบหนูกติหลังหนังอยู่ ใ, ใกล้ๆกับสละไก ไ ม, ม่ใครอยู่หนูเลยไปอยู่งูสาตัวใหญ่นะ่ะมันลู่นะงูอยู่ตรงไหนระวังนะพวกเราเวลาอยู่ในกติไม่อาหารการกินไม่ได้นะป่าน่ะเนี่ยไม่งูพิษนะจวงอางูเหา่างูเลยคือทําทานด้วยสามเหลี่ยมด้วยถ้าไม่อาหารอยู่ที่ใดนูมันก็ลู่ใช่ไหมงูไปกินอาหารเมื่อหนูไปกินอาหารที่ไหนูอยู่ที่ไดนงูมันลู่มันจะไปหายกินหนู แต่เราไม่เห็นงูก็ไปเหยียบงูงูก็กัดเราตายอย่าให้เมฆของกินในก็ตินะองูใหญ่มันไปคาบหนูหนูมันก็ตกลบว่างูข้ามกันกับงูหนูก็ร้องโชว์โชว์โชวงพ่อก็ดูเอ้ยอะไรมองไปดูงูใหญ่คาบหนูหนูก็ร้องก็ร้องแต่ตัวหนึ่งตัวเล็กๆวิ่งลงมาจากต้นกบเต่าอหน้าสลาไก่ วิ่งออกมาแกลัดทางงูก well ัดทางงูกัดทางงูกัดโดดกัดทางงูกัดงูงูก็ข้าวหนูเพราะปล่อยให้กระแตกัดทางมันก็เจ็บเนาะกัดลายมันก็เจ็บวางหนูพวางหนูมันก็มาสู้กับกระแตกระแตไม่สู้วิ่งรอบเวลาได้งูจะเลื่อยไปตามหนูกระแตกัดทางไว้กัดทางไว้กัดทางไว้งูก็ขึ้นมาสู้กับกระแต ผลที่ ส, สุดมูต <c oughs> for oh, ัวใหญ่ขุดเลยก็แต่วิ่งล่อแกะแกะแกะแกะแกะแกะไปมาหลวงพ่อสังเกตนูกานเข้ากอไข่ไปเลยโอ้คนเราเนี่ยช่วยกันกันนั่นหายากนะบางทีเนี่ยปีหนึ่งรถพ่วงคนหนึ่งขาหักนอนอยู่ขันาไมีนาฬิกากุ้งข้อมือ คนมารวมกันไม่แก้อะไรเลยท่านอย่าเอาของผมอย่าเอาของผมผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายอย่าเอาของผมกลับไปมาอยู่เลยครับแปะเขาอะไรแคนเนาะคนเนี่ยมันอย่างนั้นเราจึงต้องปฏิบัติทําเราจึงต้องปฏิบรรรนะัติทําเนาะมันเป็นอย่างนั้นเองเพียงในโลกเต้เอ้าอย่างน้อยเราไม่คนอื่นไม่รักเราเรารักคนอื่นดีกว่า คนอื่นจะโกรธเราเราไม่โกรธคนอื่นคนอื่นจะทำทุกขนเราเราไม่ทำทุกขนกับคนอื่นนะนี่เป็นยังี้อะเ ร, เรากราบพระพร้อมกัน